เราทุกคนก็ล้วนลอกสุขเกลียดทุกข์กันทั้งนั้นสิ่งที่พยายามทำมาตลอดชีวิตก็คือการเข้าหาความสุขแล้วก็การพยายามหนีความทุกข์มีความทุกข์เมื่อใดก็พยายาม ขจัดปัดเป่าออกไปหรือว่าฉลาดกว่านั้นก็พยายามป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นแลวทุกวันนี้เราก็เรียกว่าโชคดีกว่าคนสมัยก่อนที่ความสามารถในการขจัดปัดเป่าบรรเทาทุกเนี่ยเรามีมากขึ้นเพราะว่าเรามีเทคโนโลยี เรามีโคัพย์มีเงินทองมากขึ้นทั้งหมดนี่มันก็ช่วยในการกระจัดปัดเป่าความทุกข์เริ่มตั้งแต่สิ่งพื้นฐานก็คือความหิวโหวยความลำบากอัตคัดขัดสนเดี๋ยวนี้ก็มีปัจจัยสี่กัน รมเพรียงรวมทั้งความทุกข์อย่างอื่นด้วยอากาศร้อนเราก็มีพัดลมมีแอร์คอนดิชันเอาไวบ้บรรเทาความร้อนอากาศหนาวเราก็มีผ้าหม่มในบ้านหลายคนก็มีเครื่องทำความร้อนเครื่องทำน้ำอุ่น อยากจะต้มน้ำก็ต้มน้ำได้รวดเร็วฉับพันจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องขี่เกวียนไม่ต้องเดินเอาก็มีรถยนต์และสิ่งเหล่านี้ก็เรียกเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็บรรเทาความทุกข์ในการตนนัวนี้ดำเนินชีวิตประจำวันของเราได้ อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าเราจะมีความสามารถในการหนีความทุกข์ขจัดปัดเป่าหรือบรรเทาความทุกข์ได้มากมายเพียงใดก็ตามแต่ว่ามันก็ยังมีความทุกข์อีกหลายอย่างที่เราหนีไม่พ้นจะเรียกว่าทุกข์แบบเดิมเนี่ยมัน มาแพลวพาเราน้อยลงแต่ว่าทุกแบบใหม่เนี่ยมันมาอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะร่ารวยมีเงินมีทองมีอำนาจวาสนาบา ร, รมีแค่ไหนก็ต้องเจอความทุกข์อยู่นั่นเองเช่นถึงแม้ร่ารวยนะแต่ว่าก็ต้องเจอกับความสูญเสีย อาจจะไม่ถึงกับอาจจะไม่ใช่สูญเสียเงินทองนะเพราะว่ามันมีแต่ไหลามาเทมาแต่ว่าอาจจะสูญเสียคนรักคนใกล้ชิ ด, ชดเพราะว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเขาไม่มีวันที่จะอยู่ค้ำฟ้ า, เ, าเขาก็ต้องตายจากเราไปเจอความพัดภาคสูญเสียก็ทาใจไม่ได้ อย่างประเทศอินเดียนี่เราก็รู้จักทัชมาฮาลทัชมาฮาลนี่ก็เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของเป็นอนุสรณ์สถานที่พระเจ้าชาชาหานซึ่งยิ่งใหญ่มากนี่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับคนรักมุมทัชยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะ หลีกีความสูญเสียความพัดผ่างคนรักได้ถูกตายเมียตายผัวตายอันนี้เกิดขึ้นกับทุกคนนอกจากนั้นก็ยังต้องเจอกับคําติชินนินทาคําว่ากล่าวไม่ว่ายิ่งใหญ่แค่ไหนนะก็ต้องเจอ เจอกับความไม่สมหวังแล้วก็ต้องที่หนีไม่พ้นก็คือต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความป่วยและในที่สุดก็ความตายของตัวเองอันนี้คือความทุกข์ที่ไม่มีใครหนีพ้นแม้เราจะตัดเรื่องความแก่ความเจ็บความตายออกไปนี่ก็ยังต้องเจอความทุกข์อีกหลายอย่าง เช่นางานการที่ไม่สำเร็จหรือว่ามันไม่เป็นไปดังใจคนเราถ้าคิดแต่จะหนีความทุกข์หรือว่าหาทางปัดเป่าบรรเทาความทุกข์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำได้แค่นั้น ก็เตรียมใจทุกได้เลยเพราะว่ามันจะมีความทุกข์อีกหลายอย่างที่เราต้องเจอแน่ๆหนีไม่พ้นขจัดปัดเป่าไปเพียงใดก็ไม่สำเร็จอย่ า, อาง่ายๆเช่นแค่เจอรถติดเท่านั้นแหละนะอยู่ในกรุงเทพนี่เจอรถติดมันคือความจริงที่หนีไม่พ้น มีรถก็หาที่จอดรถได้ยากปวดหัวอีกถ้มีนักเขียนคนหนึ่งเขาพูดนะไม่รู้เขาพูดทีเล่นทีจริงหรือพูดประชดประชันเขาบอกว่าตายไม่ยากให้ที่ยากก็คือหาที่จอดรถนะคนเขียนนี่เขาเป็นชาวอเมริกันอยู่ในกรุงนิวยอร์กนิวยอร์กนี่มันหาที่จอดรถยาก กรุงเทพก็เหมือนกันกนะํกำลังจเจริญรอยตามมันไม่ใช่เป็นความทุกข์กายนะจะเป็นความทุกข์ใจที่คนสมัยนี้เจออย่างที่บอกไว้แล้วเมื่อเมืม่อสองสาก่อนว่าเดี๋ยวนี้ภัยคุกคามทางกายหรือภัยคุกคามจากภายนอกนี่มันมีน้อยแต่ว่าภัยคุกคามทางใจหรือความทุกข์ทางใจนี่มันไม่ได้ลดลงเลย ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆเช่นแค่หาที่จอดรถไม่ได้นี่ก็ทุกข์แล้วต้องแย่งกันจนกระทั่งจะฆ่ากันตายก็มีอย่างที่เคยเล่าคนเรายังไงไม่ว่าจะเจริญก้าวหน้าแค่ไหนมีเทคโนโลยีเพียงใดร่ารวยแค่ไหนก็ต้องหนีความไม่สมหวังไปไม่พ้นต้องเจอความไม่สมหวัง แล้ยิ่งร่ำรวยยิ่งมีเงินมีทองมากก็ยิ่งมีความอยากความหวังมากขึ้นเพิ่มเป็นเงาตามตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องเจอความไม่สมหวังเพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างที่เมื่อวานนี้ก็มีคนพูดว่าเนี่ยยิ่งมีความอยากมากก็ยิ่งมีความทุกข์มากเพราะความอยากความทุกข์มาด้วยกันเมื่ออยากแล้วไม่ได้สมอยากก็ทุกข์ ให้ลองพิจนารณาดูเถิดนะคนเราไม่ว่าจะรักสุขเกลียดทุกข์แค่ไหนจะหนีความทุกข์เพียงใดก็ต้องเจอความทุกข์วันยังค่ําซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นทุกข์ความทุกข์ทางใจแต่ความทุกข์ทางกายก็เถิดนะแม้ว่าจะมียาจะมีเครื่องบรรเทาทุกขเวทนา แต่ในที่สุดก็ต้องเจอเจอตอนไหนนะต้องเจอตอนเจ็บตอนป่วยในความเจ็บป่วยหลายอย่างมีทุกขเวทนาแรงกล้ามากซึ่งบางครั้งนี่ยานี่ก็เอาไม่อยู่นะโดยเพราะโรคมนเล็งนี่ อันนี้ก็ใครๆก็กลัวกันคล้ามกันมากเพราะว่าพอมีความปวดขึ้นแล้วจะไปพึ่งยาอย่างเดียวก็ไม่ได้จะมีมอร์ฟีนจะจะฉีกเข้าไปเท่าไหร่กินเข้าไปเพียงใดก็เอาไม่อยู่ยิ่งมีความทุกข์ใจมาผสมลงด้วยนี่ก็ยิ่งกระสับกระส่ายนะทุรนทุรายมากขึ้น แต่ที่จริงไม่ต้องพูดถึงเรื่องเรื่องโรคมะเร็งหรือความเจ็บป่วยหนักๆ ก, ก็ได้นะความเจ็บป่วยแบบปวดฟันปวดหัวปวดท้องก็ต้องเจอในเมื่อความจริงในเมื่อความทุกข์เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วนะเป็นความจริงที่หนีไม่พ้นอย่างในบทสวดมนต์ก็บอกว่าเนี่ยเรามีความทุกข์อย่างเราแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว ที่จริงความทุกข์ไม่ได้อยู่เบื้องหน้าเรานะความทุกข์มันอยู่มันตามตัวเราไปตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามันรอร อ, อโอกาสแสดงตัวเท่านั้นแหละในขณะที่เรามีสุขภาพดี<ม>ก็จะไปคิดว่าไม่มีความเจ็บป่วยที่จริงความเจ็บป่วยมันตามเราตลอดเวลาพอเราเพ่งพรำเมื่อไหร่มันก็แสดงตัวเพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายเรานี่มันเป็นรัง ของเชื้อโรคเาเป็นหลังของความเจ็บป่วยเราเป็นแหล่งมอดสุมของเชื้อโรคนานาชนิดเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีโอกาสที่จะอารวาหรือแสดงตัวเท่านั้นแหละเช่นเดียวกับความแก่ ก, ก็ตามเราไปตลอดเวลาแม้ว่าเรายังหนุ่มยังสาวแต่มันก็รอโอกาสแสดงตัว เผอเมื่ อ, อไหรก็ผิวหนังเหี่ยวยน่นผมงอกนะตกกรานะแล้วก็กำลังวังชาก็ลดน้อยถอยลงความตายก็เช่นเดียวกันมันตามติดเราไปตลอดเวลาเพียงแต่ไม่ยังไม่โผล่แค่นั้นแหละแต่เผอเมื่ อ, อไหรก็มันมาทันที ที่แค่เดินลงบันไดไม่ไม่ไม่ระมัดระวังนี่ตกลงมาหัวฟาดพื้นก็ไปแล้วแต่นั่นมันยังเป็นความตายที่เป็นอนาคตซึ่งจะเกิดหรือเปล่าหรือเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าทุกเวลานาทีนี่มันมีความตายเกิดขึ้นกับกับกายและใจของเราตลอดเวลาในร่างกายเรามีมีเซลล์ ล้านล้ล้านล้านเซลล์มันตายนี่เขาว่าประมาณวันละห0าพล้านเซลล์หรือห 0,000 ล้านเซลล์ตายทุกวันความตายเกิดขึ้นในร่างกายของเราตลอดเวลาเช่นเดียวกับความดับในใจความเกิดดับเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพอร์จ้าจึงตัดว่าความแก่มีอยู่ในความหนุ่มสาว ความมีโรคเกิดขึ้นอยู่ในความไม่มีโรคและความตายมีอยู่ในชีวิตมันไม่ได้แยกกันเมื่อวานนี้ตอนจัดดอกไม้ก็ได้พูดไปแล้วว่าหลายคนที่จัดดอกไม้ที่สวยงามแต่ในเวลาเดียวกันก็เตือนให้เห็นถึงความร่วงโรยแต่บางคนเอากิ่งไม้แห้งใบไม้แห้งมาจัด แล้วก็ทําให้มันสวยงามเพื่อชี้ใหี้เห็นว่าในสิ่งที่มันไม่งามก็มีความงามอยู่ในสิ่งที่มีในสิ่งที่งามก็มีความไม่งามมันไม่ได้อยู่แยกกันมันอยู่ได้กันอันนี้ก็ตรงกับที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยความแก่มีอยู่ในความหนุ่มสาวนะความมีโรคอยู่ในความไม่มีโรค และความตายมีอยู่ในชีวิตชีวิตกับความตายไม่ได้แยกจากกันความแก่ความหนุ่มสาวไม่ได้แยกจากกันความมีสุขภาพดีกับความมีโรคก็ไม่ได้แยกจากกันมันอยู่ด้วยกันเหมือนกับโคนไม้กับปลายไม้เหมือนกับความยาวและความสั้นก็อยู่ด้กันไม้บรรทัดนี้ยาวเมื่อเทียบกับดินสอ แต่ว่ากลายเป็นสั้นเมื่อเทียบกับเสาไฟฟ้า น, นเราก็ต้องตระหนักอยู่เสมอเช่นเดียวกันในทํากลางาที่เรามีความสุขมันก็มีความทุกข์แฝงอยู่ตลอดเวลานี่จึงบอกไว้แล้วว่าด้วยเหตุนี้ความทุกข์เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นไม่ว่าเราจะมีความสามารถในการขยับปัดเฝ่ามากมายเพียงใด อันนี้เราจะทำอย่างไรนะกับสิ่งที่เราหนีไม่พ้นต้องเจอแน่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้ไม่ใช่คิดแต่จะหนีอย่างเดียวคนที่คิดแต่จะหนีความทุกข์คิดแต่จะหาทางสู้ทุกข์ขจัดปัดเปล่าวความทุกข์นี้ถ้าคิดอย่างนี้อย่างเดียวนี่ไม่มีทางหนีทุกข์ได้ เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ให้ได้ด้วยรวมทั้งความเจ็บความปวดความไม่สบายกายใ น, นสมัยนี้เราเราหนีมันจนกระทั่งรู้สึกว่าชีวิตนี้สบายเหลือเกินแต่ก็อย่าประมาทไปเพราะความไม่สบายกายเกิดขึ้นได้กับเราอยู่เป็นระยะระยะ ใช่เดินทางก็ต้องเจอความร้อนลอยู่ในเมืองไทยหรืออย่างเนี้ยตอนนี้เนียก็ไม่คิดว่ามันจะหนาวก็ต้องเจอความหนาวด้านหนึ่งเราก็พยายามหนีความหนาวพยายามที่จะบรรเทาความหนาวแต่แค่นั้นไม่พอเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้อยู่กับมันโดยไม่ทุกขนะ์ก็คือทุกข์กายแต่ไม่ทุกข์ใจนอันนี้เราทำได้ความร้อนก็เช่นเดียวกัน เราอยู่กับความร้อนก็ต้องอยู่ให้ได้อยู่โดยไม่ทุกข์มันแต่มันก็มีแต่ทุกข์กายนะแต่ว่าไม่ทุกข์ใจถ้าเราทำอย่างนี้ไม่เป็นนะเราก็จะมีแต่ความหงุดหงิดความไม่ความไม่พึงพอใจเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถจะบังคับหรือควบคุมให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจเราได้ไม่สามารถควบคุมดินฟ้าอากาศ ไม่สามารถควบคุมแม้กระทั่งร่างกายของเราให้ให้มันไม่เจ็บไม่ปวดแล้วเราจะอยู่กับความความทุกข์หรือทุกขเวทนาได้อย่างไรก็อยู่ได้หลายด้วยหลายวิธีก็ได้พูดไปแล้วเช่นการมองแน่แง่บวกนะการปล่อยวางการยอมรับมันการยอมรับก็คือการอยู่กับมันนั่นเอง ดูกำมันให้เป็นบางครั้งบางคราวก็ต้องใช้วิธีการกล่อมใจอย่างบุรุษปลาสีามีคนหนึ่งนี่แดดร้อนแต่ว่าเขายังเขายังยังมีอารมณ์ร้องเพลงไปกดกิ่งอยู่หน้าบ้านไม่ไม่กดกิ่งไปตะโกนเรียบตัวเจ้าของนี่อยู่ร้อนอากาศอ้าวขนาดหลบอยู่ในห้องแอร์ ได้ยินเสียงเรียกของไปสณีก็ไม่ยอมออกมาพอว่าออกมาแล้วเจออากาศอ้าวเจอแดดก็ไม่ออกมาแต่ว่าบุรุษไปสณีก็ยังก็ยังรออยู่เพราะร่วมมีคนอยู่ในบ้านแต่ไม่ได้รอเปล่าล่ร้องเพลงด้วยจนกระทั่งในที่สุดเจ้าของบ้านต้องออกมารับพัสดุออกมาเสร็กก็เลยถามบุรุษไปสณีว่าอากาศร้อนๆ อ, อ, อย่างนี้นี่ มีอารมณ์ร้องเพลงได้อย่างไรเบริดไปสนี้ก็ตอบดีนะเขาก็บอกว่าโรคมันร้อนก็จริงครับแต่ว่าถ้าใจเย็นมันก็เย็นครับผมร้องเพลงแล้วใจมันเย็นสบายอันนี้ก็เป็นวิธีการในการอยู่กับความร้อนความอ้าวได้เจ้าของบ้านนี่หนีความร้อนความอ้าวโดยการหลบอยู่ในห้องแอร์ แต่ก็หนีไม่พ้นก็ต้องออกมาเจอความร้อนความอ้าวเพราะว่ามีคนมาหามีบุรุษไปสนีมาแต่บุรุษไปษณีคนนี้เขาก็รู้จักอยู่กับความร้อนได้โดยไม่ทุกข์ถามว่าเขาร้อนไหมเขาร้อนเหงื่อส่งกายแต่ว่าใจเขาไม่ทุกข์นะเขาก็รู้วิธีกล่อมใจด้วยการร้องเพลงร้องเพลงแล้วใจก็เย็นพอเย็นแล้วเนี่ยความร้อนก็ไม่เป็นปัญหา นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งในการอยู่กับความความร้อนหรือความทุกข์ไดนะ้วิธีหนึ่งที่อยู่กับความทุกข์ได้คือการมีสติดูมันเวลามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราไม่จำเป็นต้องกล่อมใจก็ไดนะ้แต่ว่าเราใช้สติเนี่ยดูเวทนาหรือรู้มัน ให้ความปวดที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ถ้าเาเผลอนะมันก็ไม่ใช่แค่ปวดกายนะมันปวดใจตามมาด้วยเวลาเจอความร้อนไม่ใช่แค่ร้อนกายแต่ร้อนใจด้วยเวลาเจอความหนาวไม่ใช่หนาวกายเดียวมันหนาวใจเพราะจิตมันปรุงแต่งนเจอเวทนาปุ๊บก็ปรุงแต่งนะหรือเพียงแค่กายสัมผัสความหนาวความร้อนก็ปรุงแต่งนะ ไม่ใช่แค่มีทุกขเวทนาเดียมีทุกทรมานด้วยทุกขเวทนาเป็นเรื่องของกายแต่ทุกทรมานเป็นเรื่องของใจมันทุกทรมานนี่เพราะความปรุงแต่งเช่นพอเราบ่นโวยวายเข้าก็มันก็ทุกขละเป็นทุกทรมานหรือพยายามผลักไสมันแต่มันไม่ยอมไปก็ยิ่งทุกขเข้าไปใหญ่แต่ถ้าเรามีสติดู ดูกายดูใจโดยเพราะในในขั้นนี้ก็ต้องดูดูดูใจคือดูความคิดที่ปรุงแต่งดูมันบนพอรั้วใจมันบน่นโวยวายมันก็สงบลงพอเห็นพอรู้เวทนาใจไม่ปักเข้าไปในเวทนานั้นมันก็มีแต่ทุกข์กายแต่ไม่ทุกข์ใจแต่ที่ทุกข์ใจเพราะใจมันปักเข้าไปในเวทนานั้นก็เลยปรุงแต่ง เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกขเวทนาให้ได้ทุกปีนี่ที่นี่เราก็มีจัดธรรมยาตราเราก็พาคนเดินก็ไม่นานนะปีหนึ่งก็แค่เจดวันช่วงเดินธันวาธันวาที่มันก็น่าหนาวนะแต่ว่าเวลาเดินกลางวันนี่มันมันไม่มันไม่หนาวนะแต่มันร้อนเพราะว่าฟ้านี่ไม่มีเมฆฟ้าใส ก็ต้องเดินกลางแดดเวลา 4-5 หชั่วโมงทางก็ไกลแดดก็ร้อนแล้วเดินทำไมนะส่วนหนึ่งเราก็เดินเพื่อลดนรงให้คนอนุรักษ์ป่าดูแลลำห้วยลำทานรักษาธรรมชาติแต่อีกส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นการปฏิบัติธรรม ก็คือเรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกขเวทนาให้ได้อยู่กับความร้อนให้ได้อยู่กับความเหนื่อยให้ได้ทางไกลแต่ใจไม่บน่นะล้วก็มีคําขวัญว่านะกายร้อนแต่ใจไม่ร้อนหรือว่าร้อนแต่กายแต่ใจสงบเย็นนะกายเหนื่อยแต่ใจไม่เหนื่อยนะเหนื่อยแต่กายนะแต่ใจ ชื่นบานนอันนี้เราทำได้นที่เราจัดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะหาความทุกข์ใส่ตัวจริงมันก็คล้ายๆกันนะคือเดินเข้าหาความทุกข์แต่เดินเข้าหาความทุกข์เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้รู้จักปรับตัวปรับใจให้อยู่กับความทุกข์ได้ปรับใจให้อยู่กับความหนาวให้ได้ปรับใจให้อยู่กับความร้อนให้ได้ ปรับใจให้อยู่วความเหนื่อยให้ได้และถ้าเราปรับใจได้มันก็เหนื่อยแต่กายแต่ใจไม่เหนื่อยมันก็ร้อนแต่กายแต่ใจไม่ร้อนหรือว่าถ้าเราปรับใจในที่นี้ได้เนี่ยมันก็เหนื่มันก็หนาวแต่กายนะแต่ใจอบอุ่นแล้วคนเราถ้าคิดแต่จะหนีความทุกข์อยู่เรื่อยไปในที่สุดก็ต้องเจอมันวันยังค่ำ่ะคนที่มีปัญญาเมื่อรู้ว่าอะไรหนีไม่พ้น ก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันถึงขั้นสามารถเป็นมิจจำมันได้ดันั้นถ้าเราเป็นมิตรกับความความร้อนความหนาเป็นมิจกับทุกขเวทนาได้เราก็ไม่มีอะไรที่จะต้องอนาทรร้อนใจนั่ก็ฝึกได้นะฝึกได้กับการในชีวิตประจําวันและการมาปฏิบัติธรรมนะที่ดีมันต้อง เป็นการปฏิบัติที่พาเราเข้าหาความทุกข์แล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ให้ได้ไม่ใช่อยู่ด้วยความอดทนหรือกัดฟันทนแต่อยู่ด้วยสตินะด้วยการยกจิตขึ้นมาดูยกจิตขึ้นมาดูหรือพาจิตออกมาดูดูใจที่ปรุงแต่งหรือดูเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายอนุมาเคยพาคนเดินจงกรมทุกเช้านะเคยไปอบรมรเผชิญความตาย ที่ต่างจังหวัดชุมพรแล้วก็พาคนเดินจงกรมทุกเช้าให้ถอดรองเท้าท ก, ก็เดินหลายคนไม่เคยเดินเท้าเปล่าบนทางกรวดทางหินก็เจ็บก็ปวดมีนําซ้ําพอเดินเข้าไปในสวนก็เจ อ, อยุงมาตอมหลายคนนี่ยุงไม่ทันจะกัดเลยแค่ตอมนี่ก็ทุกแล้วมันทุกไปล่วงหน้าแล้วเพียงแค่ยุงมาตอมแค่นั้นแหะ พ อ, อยุงมาเกาะผิวกเกาะหนังเกาะแขนเกาะขามันยังไม่ทันจะเจาะเลยก็ทุกข์ล้นี่เพราะอะไรก็เพราะใจที่ปรุงแต่งและยิ่งพอโดนมันเจาะเขาก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่ก็บอยเขาได้เรียนรู้ว่าเออให้ลองเห็นใจที่มันกังวลดูบ้างใจที่มันกลัวใจที่มันเ พ, ยายาพียมผลักใสใจที่บน่นววาย เวลาเหยียบกรวดเวลาโดนยุงตอมยุงกัดที่จริงร่างกายเราทนได้แต่ใจต่างหากที่ทนไม่ได้กายคนเรามีความสามารถในการทนได้หลายอย่างมากแต่ใจต่างหากที่อ่อนแอเพราะวันหนีหนีความทุกข์ตลอดเวลาไม่ยอมสู้หน้าเผชิญความทุกข์พอเจอเข้าก็เลยทําใจไม่ถูกวางใจไม่เป็นเอาแต่ผักสายอย่างเดียวแต่ผักสายไม่ได้เพราะว่าต้องเดินต้องอยู่กับคณะ ต้องยอมให้มันกัดก็เลยทุกขนะ์ก็ดูใจสจิดูใจดูใจที่มันันขยะขยแยงยุงที่จะมาตอมหรือว่าเวลาอยู่มาเกานะแล้วก็ดูอาการของกายกายมันรู้สึกยังไงมันแสดงอาการอย่างไรเวลายุงมาเกาะและเวลายุงมากัดคันใจมันเป็นอย่างไรก็พอทำได้นะ ว่าเดินกนทุกวัน 6- 7วัน2วันสุดท้ายนี่ไม่ใช่แค่เจอเจอกลัวเจอยุงนะแต่ว่าเจอมดด้วยเพราะฝนตกนี่คล้ายแบบนี้ฝนตกก่อนที่จะเดินแต่พอเดินเนี่ฝนก็หยุดอันนี้เกิดอะไรขึ้นนะมันก็มีมดเนี่ยมันก็ย้ายหลังมันก็หนีเดินกันเป็นแถวเป็นขบวนตลอดทาง เราเดิน 40, 40่สนาทีก็ตลอดทางเนี่ยที่เป็นทางทรายทางาทางทางดินเนี่ยนะมันก็จะมีมดเยอะมากเลยนะไม่ใช่เป็นพันนะบางทีเป็นหมื่นวันแรกคนก็เดินพอเดินผ่านแล้วก็ ห, หยุดเดินอย่างที่เราเดินเมื่อวานเดินแล้วก็หยุดมดก็ขึ้นมาตามลมผ้าคนก็ กระทืบขากันเป็นแถวกระทือบเพื่อให้หมดมันหลุดสลักออกไปจากขาจากจากตัว <c oughs> ไม่มีความสงบสํารวมเลย <c oughs> ก็เลยแนะเขาว่าให้ลองดูใจสิให้ลองดูเวทนานะเราทนได้กายทนได้แต่ใจมันทนไม่ได้ถือโอกาสให้ใจเนี่ย ให้เราดูใจดูเวทนาพอวันต่อมาก็าบอกว่าทำได้ดีขึ้นนะสงบมากขึ้นเพราะรู้วิธีก็มีคนหนึ่งเขาก็ลอาใฟังว่าเขาทำอย่างไรเขาบอกว่าพอเดินมาแล้วก็ได้ยินเสียงะระฆังให้หยุดก็หยุดตรงลังมดพอดี <c oughs> เขาก็เล่าว่าได้หยุดลงตรงลังมดสมใจเพราะาเขาอยากจะฝึก ว่าจะอยู่กับความปวดได้ยังไงก็เห็นเลยนะความกลัวความวิตกเกิดขึ้นที่ใจเขาก็มีสติดูความวิตกกังวล น, นั้นพอดูเขา้าความวิตกกังวลก็วูบหายไปแต่มันไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าพอหมดขึ้นมาตามตัวเขาก็รู้ก็มารู้มาดูอาการที่กาย เห็นเนื้อตัวนี่ตึงกล้ามเนื้อตึงเกรงไม่ใช่ตึงเกรงเม้มปากแน่นหัวใจเต้นเร็วเนะื้อมดนี่มันไม่น่าจะกัดเลยนะแค่ขึ้นมาตามตัวเนี่ยหัวใจก็เต้นตึกตักตึกตึกตึ ก, ตกปากนี่เ ม, ม้มตัวนี่เกรงเลยตานี่ขยิบเลยนะเขาก็รู้ทันนะดูกายแทนที่จะไปดูที่มดเขาก็ดูกายปกติคนที่ดูไม่เป็นก็ไปดูมดลวใจไปปักที่มด แต่นี้เขาฉลาดเข้ามาดูใจเขาไม่ส่งจิตออกนอกก็ดูดูกายพอเห็นกายมันตึงพอพอรู้ว่าตึงนี่มันก็คลายไปเองเลยนะใจกายก็ผ่อนคลายหัวใจก็ค่อยกลับมาเต้นปกติแต่ที่มันมันไม่ใช่แค่นั้นเดียวคนนี้ยุบมดมันกัดแล้ะเขาก็เห็นเวทนามันกัดเป็นเป็นจุดจุดมั่งเป็นดวงดวงมั่งมันว่ามันแสบมันร้อนความปวดมันเวทนามันมีหลายหลายหลากมาก แต่เขาก็ดูมันนะดูเวทนานั้นแล้วก็เห็นใจที่มันเริ่มทุกข์อพอเห็นใจที่มันทุกข์นี่เขาความความการบ่นการผักสามก็คลายไปปรากฏวา่าท่านที่มดยังกัดอยู่แต่ว่าใจเย็นใจสงบแล้ว <c oughs> เขาแปลกใจมากที่ว่าเออทำไมใจสงบได้ทั้งๆ ท, ท, ที่ความปวดก็ยังมีอยู่นะ เขาก็เห็นเลยว่าอกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งมันแยกกันความปวดความเจ็บเป็นเรื่องของกายนะแต่ว่าใจไม่จำเป็นต้องเจ็บด้วยเพราะมีสตนะิดูมันก็เขาก็เขา ก, เขาก็พอใจมากแล้วก็ก็ดีใจก็เห็นความดีใจนะแล้วก็บอกขอบคุณมดนะแทนที่จะโกรธมดกับเรียกมดว่าเป็นอาจารย์อาจารย์มด แล้วก็เดินได้ไ ด, ได้ได้อย่างสงบได้อย่างปกติทั้งทั้งที่ก็ยังมีมดมาเกาะตามลมผ้าอยู่แล้คนนี้ก็เป็นผู้หญิงนะแต่ว่าเขาไม่มีอาการต่อต้านผักสายมันเขาเรียนรู้ที่อยู่ความปวดได้เรียนรู้ที่อยู่กับเวทนาได้เพราะเขาใจสตินะเป็นเครื่องรักษาใจที่จริงก็ไม่มีความจําเป็นนะที่ต้องเดินไปอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้เป็นส่วนของการฝึก ฝึกเพื่อให้เรารู้จักอยู่กับเวทนาให้ได้อยู่กับความทุกข์ให้ได้คนเราถ้าอยู่ไม่เป็นนี่นะมันก็เจออะไรมากระทบที่กายนะใจก็ทุกข์ตามไปด้วยแต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเรื่องกระทบกายนะเรื่องอื่นๆที่ไม่สมหวังซึ่งเป็นเรื่อ ง, องความทุกข์ทางใจเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้ให้การอยู่กับทุกความทุก ความปวดนี่ก็อันหนึง่งแต่ว่าต้องเรียนรู้ที่อยู่กับความเศร้าเรียนรู้ที่อยู่กับความความเบื่อเรียนรู้ที่อยู่แม้กระทั่งกับความเหงาให้ได้คนเดินนี่อยู่ไม่เป็นอยู่กับความเหงาไม่ได้ก็ต้องหนีต้องวิ่งต้องทำทำอะไรต่ออะไรมากมายซึ่งบางเรื่องก็เป็นทุกข์เป็นภัยกับตัวเช่นไปกินเหล้าไปเที่ยว นะบางคนนี่มีมีรุ่นน้องมีลูกของเพื่อนมาปรึกษาเขาก็เคยมีแฟนต่อมาก็ก็เลิกกันเพราะแฟนคนนี้เจ้าชู้แต่บ่อยครั้งเขาอดไม่ได้ที่จะกลับไปหาอดไม่ได้ที่จะกลับไปพูดไปคุยทั้งทั้งที่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยคบไม่ได้แต่เขาบอกว่าเขาอยู่กับตัวเองไม่ได้ อยู่คนเดียวแล้วเหงาก็ต้องอดไม่ได้ที่จะกดโทรศัพท์ไปคุยกับผู้ชายคนนั้นนะเพราะความเหงาแล้วความเหงามันทรมานใจเขามากจนกทั่งแม้กระทั่งไอ้คนที่ไม่น่าไปหาก็ต้องไปหาอันนี้เพราะว่าไม่รู้จักอยู่กับความเหงาถ้าห น, นีความเหงาตลอดเวลาถ้าห น, น, นีความเหงาตลอดเวลาก็ไม่มีทางที่จะ คนทุกข์จากความเหงาได้เราต้องเรียนรู้ที่อยู่ความเหงาคือเห็นความเหงาเห็นมันเกิดขึ้นให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นที่ใจแต่ไม่ใช่เราเหงามันต้องเห็นขนาดนี้นะคือเห็นความเหงาเกิดขึ้นที่ใจแต่ไม่ใช่ฉันเหงาเห็นความเศร้าเกิดขึ้นที่ใจแต่ไม่ใช่ฉันเศร้าในสํานวนเลยกันเห็นความปวดเกิดขึ้นกับกายแต่ไม่ใช่ฉันปวด แต่ถ้าไม่มีสติมันก็ปรุงแต่งเป็นชั้นปวดชั้นเหงาฉันเศร้าอันนี้เรกเกิดตัวตนขึ้นมาเกิดตัวกูของกูขึ้นมานะความปรุงแต่งว่ามีตัวกูของกูเป็นเจ้าของความทุกข์นี่เพราะไม่มีสติแต่ถ้าเรามีสตินี่มันไ ม, ม่มันไม่ปรุงว่าเป็นชั้นเหงาชั้นปวดฉันเศร้านะมันเห็นแค่อาการเหล่านี้เกิดขึ้นที่ใจ อันนี้คือวิธีการที่จะอยู่ความทุกข์นะด้วยสตินะคือถ้าอยู่ความทุกข์ได้เนี่ยมันก็จะมีแต่ความก็จะเห็นแต่ความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์มีความปวดไม่มีผู้ปวดไอ้ผู้ปวดผู้ทุกข์เกิดขึ้นเพราะความไม่มีสติเพราะความหลงเพราะความลืมตัวนั่นเองพอลืมตัวเข้ามันก็ปรุมตัวตนขึ้นมาเลยนะมันแปลกดีนะเมื่อใดที่ลืมตัวตัวตนก็เกิดขึ้นนะ อันนี้ work, อย่ามันอย่าไปสับสนนะอย่าไปอย่าไปงงพิจารณาดูีๆถ้าไม่เข้าใจตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้ให้ลองลองสังเกตดูว่าเมื่อไหรที่เราลืมตัวนะตัวตนก็เกิดขึ้นก็คือพอเราปวดพอเรามีเวทนาพอเจอร้อนเจอหนาวแล้วเราลืมตัวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันก็ปรุงตัวตนขึ้นก็คือไม่มีสติแล้วเราก็เลยทุกข์แม้กระทั่งความเหงาก็เอาไม่อยู่ แต่ถ้าเรามีสติดูนะดูกายดูใจดูเวทนาเห็นมันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ปักใจเข้าไปในนนัหรือไม่ปรุงแต่งตัวกูของกูขึ้นมามันก็แค่เกิดที่กายเกิดที่ใจแต่ไม่ทำทำอะไรต่อไปไม่ได้เราก็จะอยู่กับมันได้ยูความเหงาโดยไม่เป็นผู้เหงานนี้ทาได้นะอันนี้เรียกว่าเป็นทุกข์อ่ ถ้าเราทุกข์ให้เป็นเราก็ไม่เราก็ไม่เป็นทุกข์ง่ายๆนะเป็นทุกข์ให้เป็นนะก็ไม่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็คือเป็นทุกข์แบบเป็นผู้ดูโดยไม่เป็นผู้ทุกข์นะอยู่กับความทุกข์ให้ได้แล้วต่อไปเราก็จะเป็นมิ่กับความทุกข์ได้เป็นมิ่กับความเหงาพอเราเป็นมิ่กับความเหงาเป็นมิ่งกับความเศร้ามันก็ทาอะไรไม่ได้ก็สามัคคีกันกอดคอกันไปได้ ต่างคนต่างอยู่นะความเศร้าก็อยู่ก็ก็อยู่ไปนะอย่าไม่มารังควานฉันความเหงาก็อยู่มันไปนอยู่ ท, ที่อยู่ที่ใจก็อยู่ไปแต่ไม่มาไม่มาทําร้ายเราเนะีนะ่ยนะเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ความทุกข์ให้เป็นจนกระทั่งเป็นมิตรกับมันได้ถ้าทํานี้ได้เนี่ยแม้กระทั่งความป่วยความตายมันก็ทําอะไรเราไม่ได้เราก็ยอมรับความตายได้เพราะเป็นธรรมชาติอันหนึ่ง บางทีมองความตาย่ปเป็นมิตรเป็ น, ปนครูได้เหมือนกันอันนี้เป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตนะจะหนีความตายไม่หนีไม่พ้นอยู่แล้วก็ต้องรู้วิธีเจืออยู่กับมันเตรียมใจรับมันเป็นมิตรกับมันจะหนีความเจ็บความปวดมันก็หนีได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ที่สุดก็ต้องเจอก็ต้องรู้วิธีเรียนรู้เที่ยอยู่กับความเจ็บความปวดให้ได้เห็นความปวดโดยไม่เป็นผู้ปวดน อยู่กับมันไปต่างคนต่างอยู่นะไม่มาลังแกกันไม่มาหลังควานกันอันนี้แหละเป็นศิละปะในการที่จะดําเนินชีวิตงั้นเราจะรักสุขเกลียดทุกข์กยังไงก็ตามนี่ก็อย่าหนีทุกตลอดเวลานะต้องเรียนรู้ที่อยู่กับมันให้ได้เราก็ฝากเอาไวนะ้นก่อนที่พวกเราจะได้กลับกรุงเทพในวันนี้กลับภาพพร้อมกัน